ผู้พวกน่อยน้อยค่นี้เนาะผู้พวกในหน่อยเนี่ยดีเดอืองักภาวนาหัดพืชหัดไม่ใจเจ้าของให้นิยมใหมม้มักมักมูในหน่นนยนอยมักงันมักผูมักค้นนหน่อยต่มันหน่อยลงมันจะบกเบี้ยบจนบ่หลการนิ้มูไหลเหมนเบียบหลา ย, เ ย, เ ย, ลายดเดเฮ ยึดท้ทองยึดนั่น น, อยอยนี่นี่ก้อยนกันต้องดูเวตเพื่อมูเพื่อพวกนั่นเดี๋เป็นย่งบมเสานี่นี่ก้มาปากก้มโวกันไลยตรงเป็นท่าละตรงเ้าว่าวปากเป็นเป็นห่วงเป็นกังวลกันนั้นเสื้อตาก็ไป็นรุ่กันได้ให้ได้สร้งได้หักกันเนี่ย นั่นหะอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามันเป็นเบี้ยเป็นทุระเป็นการ ง, งานของใจมันงานหลายโพรดมันบริส้ทเมือยใจนะมันงานหน่อยๆเหยั่งก็หน่อ ย, ย, ห, นอยหน่อยลงมูกะหน่อยนะเพราะันมีเวลาเป็นของเจ้าของเจ้าของมีเวลาเจ้าของมีเวลาเองเช้่อไ ปิเป็นนางข้าวันหน้าว่าเออเลขก็แล้วแล้ว ไ, ได้แค่นี้แล้วว่าสิปฏเป็นนางนนข้าวันหน้าเนี่ค่าค่าเซ็มอยายุยุ่ในใจเอาก็บอกออกใจสถึงบก็สุดงบก็ได้ครอบมึงค่ายู่ในใจเนี่ยเอาค่เค่อยเดยบอกกันกมูกระปวกนู่นไปเย็นเดีูดวปุ๋ยเดีท่านวิจกรกันั่นวิจกรกันนี่ม้อกันมันค่าอยู่ในใจเอาออกงานที่ดิใส่ น, ใ น, ใๆๆนี่ย หลายกะหลายบัดมู้นหน่อยๆนึ่เฝ้าเยอะเห็น ย, ย, ยัง อ, อยู่กลมเต้ก็บุ้งใหสเห็นบุองไหญ่ส่มาซองมาเบิ้งมั น, ม, นมันบกเพาะไถการบกในภพเด็กพาะบ่ได้กดมีมุ้งมี่วนยิบใหญ่ลูกตะบกคอยไปบกคอยหนีมันเท่าที่กำหนดไว้มนก็ทั่งอ ย, อยู่กลมนีเยอะมันจะอยู่เนี้ย แยกตัวบ้านไล่ยกหลางสวยหลังตั้งตับ้านไล่มูงหน่อยเนี่ยแล้วก็เก็บสิ่งเก็บของเยู่ของแค่เดียวที่แค่ไหนเขาที่สุโขที่าาภาวนาเนาะเพิ่นสะิ่งดีนี่ยเพิ่นดีย้อนการภาวนาะวัดเอา้าหลวงนะปูนปอเพิ่นสิ่งดีเนี่ยก็ย้อนเพิ่นภาวนา ในห้องมาก แ, แบบอยากดีจัอเอาภาวนาอะไหล่ะลังค้นบูงจากความได้ออยากดีเลยชิมาเอาดีน้ำพนโลดเอคือว่ามันเด็เมาอยู่น้ำพลเอ่อมาอยู่น้ำพนไหนมั้ล่งคือว่าเป็นหลุดติ์ของลงปุถเทศดแบดีโลดเลยทังแต่เนี้ยลังค้ น, น, น, น, นโอ้ยจมื่นบอกเขาใจ มันอาจจะไปซ่อม่างคนเพิ่นเห็ดกางได้าดีที่เพิ่นทำเป็นซ้อมบระุจักตอนย่ามเพิ่นเข่าก็อ่านไปในแม่ประวัติเพิ่นประวัดเพิ่นย่ามเพิ่นนมเพิ่นออกเที่ยวทุดงอยู่เพิ่นภาวนาโอ้ภาวนาเอาเก่งเอาขาดีเลยการงานส่งคมงานสวนบัดตีนสอดนะ ว่าได้เห็ดเยอะๆแยกๆแข้งลอยเท่าดอกขี้ขานดอกเข่ามือก enfin you know. ็ตนไปมืออึืห้ก็ตนบเวว่าเจือเอดิ่งนัแหละดีย้อนแมวดีย้อนคนเห็ดงสั้นแ่ละอันนี้เ่อเข้าอ่านเห็นแล้วพูกก็คิดว่าเอออยู่กัอยู่วังคนซ้ำคนขนาดพี่เห็ดพาวนา่นี่ยมันจะมีี่มองลบมองนี่นี่อยู่ดอกอยู่วัดเข้า อันนี้วางอื่นเนบ่ยโบนเน่ด้วยห้าลังเชือลังบัดในโบมี่ได้มองสี่นี่เน่ะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่คือมาเต็มอ่างยากไม่มีมองสีไปดีเวียะกระไรเลยสินอันนี้ลงฟูคอนเมตไหมดแล้วเข้าไปตงนี้เวียะอย่างหลายดอกันมันเวียกแต่มันเวียะบริหารเจ้าของเท่านั้นบริหารกุตี้เจ้าของเท่านั้นกุตีเพิ่งจะให้ไป้แล้วเข้าไปยูไนเข้าไปบริหารเอา ใบใหม่มันโรนมาลำเลาะเดินกุกตติกวดเอาเท่านั้นล่ละแยบเขาทันบอกเรื่องบอกขุนบินทบาดถ้ามีอยู่แล้วคนมาอยู่หนี่นจะมีหมู่บ้านไห้เขาย่างขุนินทบาดก็มีแหละแต่นอนน้อท้างก็มีลำบามาถึงเข้าใจเมิดแล้วแยกท่านอยู่วางอุนบ่อไรอย่างสีเดยต้องได้่าเรื่องมองร่งจีนคนขวดใส่ยามคนขดก็เรื่งเห็ุ สล่าอยู่ดูดูกำลังเฮ็ดหัวเฮ็ดแผงอยู่ดูดูกาลังขุดสายอยู่ดูต้องไปซอยเพิ่นท่านเนี่ยจไปนั่งนังนู่นนั่ง่จังไลยเพื่นเนีเส้นจึงังจงจเนี่ยทั้งั่นเนี่ยร่างบ่งร่างทีร่างวัดเป็นเดกําลังโคจรนุ่งโคจรหน้ากำลังจัดงานจัดการอันนั้นอันนี้ยู่ยไเหาจุดองไปซอย ก็เลยได่นุ่งแต่รับเบียรกับงานกับผัวคนก็บกินกับฟ้องกันเนี่ยเ น, นี่ยโบมีเวลาอันนี้เขาไมเวลาแล้วทีเท่ากับมีเวลาเทาก็มี่ต้นก็บบามากวนดอกมันหน่อยแล้วเด้ข้าวเอาเรียเอาเด้บัดมันคือได้เลยมันมันไ ด, ด้ย่อนย่อนเท่าเด้ค่อย้างเข้าไปอันเข้าไปตึกแห่นี่แล้วไปตึกแห่เลยบัดคือได้แค่ของจะของมันแห่จะของได้วันน่ อยนี้ผู้อื่นก็าวานเราก็เอาใจของเขาด้วยให้เข้าใจที่สั่นด้วยมาหอดน้องป่าเลยต้องวานกับใคเอามันได้หลายได้หน่อยก็เป็นคงเขา้าไหมก้องว่าเข้าเดินจนกลมเอานางภาวานาเอาซ้อมคิดซ้อมใจจดของเขากำนวดเอายาสีฟิสสะอ่ อ, อนใจน้ำฝนยสิเซสถาวางังว่าโอ้อาจารย์พีย่องบ่นอ้ออาจารย์พย่องคืู ว, ว่าผูภาวนาดีบว่น้อถ้าไปเอาเถาะเนี่ยยังไง ใหย่องยังได้กระสามฮาลังสนมันมาย่องว่าเขาเป็นครมเป็นพระอรหันต์บอกเป็นโตดาสกิจข้าค่าน่าฆ่าบอกให้มันย่องลงไปมันจะฟองก็ท่านได้อยัางน่้นเขาเป็นเขาเห็ดเขาได้ไปแล้วเลยโอ้ยมึงสิย่องมันย่องกระสามพวงย่องมัย่องกระสามเขาอยู่สบายเนี่ยยังสี่ดีครัวละเนี่ยเอาดีเอาเห็ดเอานี่ละเนี่ยมูโบยูเนี่ยมูเกินเนี่ย เอาแามเผยอนี ial ial ่ยงมูกเผยๆนีเค็ดที so ่ดีดอกพาวหน้าต่มูเป็นอย่างมันไม่เป็นยังไงมูนี่มันเพราะว่าหน้าดีดอก่าสิมโอกาสนะจิว่าโอ้ยมู่อยู่แล้วไว้เหงาเพราะทำเหงามันล่ะดีใจรอดโอ้ยแด้๋ยวทาเล้วกัดดูเลยเขาคู่ท่านส่งผมนางซาหน้าแล้สันลักษณ์ที่ได้